คร้งก็พูดถึงความรู้สึกทุกข์ใจนะว่าเป็นความหนักอกหนักใจเพราะว่าหนักอกหนักใจนี่มันเป็นคําที่มีความหมายที่ดีนะในแง่หนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงอาการของความทุกข์นะเรานึกภาพออกนะว่าหนักอกหนักใจมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนก็มีประสบการณ์กับ อาจจะไม่ใช่ความหนักอกหนักใจทีเดียวแต่อาจจะเป็นความหนักอึ้องเวลาแบกของหนักและนอกจากคํานี้มันจะบ่งชี้เห็นถึงอาการความรู้สึกที่คนเข้าใจได้ง่ายแล้วเนี่ยมันยังบ่งชี้เห็นนะว่าสาเหตุของความทุกข์ทั้งเกิดจากอะไรที่หนักเพราะอะไรหนักเพราะแบกแบกเมื่อไหร่มันก็หนัก แล้วที่หนักอกหนักใจเพราะใจมันไปแบกอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่ายินดีเท่าไหร่อาจจะเป็นภาพหรือการคาดการที่เดร้าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวพอแบกมันนะมันก็รู้สึกหนักมันหนักที่ใจแล้วก็เห็นว่าความทุกข์เกิดจากการแบกเนี่ยมันก็เฉลยอยู่ในตัวนะว่าถ้าไม่อยากทุกข์มันก็ต้องวาง หวางเมื่อไหร่ก็ความหนักอกหนักใจก็หายไปกลายเป็นความเบา อ, อกเบาใจแต่ว่าคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยตระหนักนะว่าเนี่ยที่ทุกใจเพราะมันไปแบกอะไรบางอย่างไว้ใน ใ, นใจแล้วพอไม่รู้เนี่ยก็เลยยิ่งแบก นะยิ่งถือไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีดังๆที่ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักยิ่งถือก็ยิ่งทุกข์นะแต่ก็ไม่เฉียวใจนะว่าเนี่ยมันต้องวางสิถ้าอยากให้ความหนักอกหนักใจมันหายไป เคยมีในตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งนะไปกราบหลวงพ่อชาแล้วก็ระบายถึงความทุกข์ความอันอ้นตันใจที่ได้รับจากการทำงานในรบราชการว่ราในตำรวจท่านนี้ก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตการแข็งในการทำงานไม่มีนอกไม่มีในนะ ไม่รูปหน้าปาจมูกกับใครแต่ว่าก็ถูกขัดแข้งขัดขาถูกเลยขาเก้าอี้ถูกคนแทงข้างหลังเจ้านายก็ไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริมกลับให้คนที่ไม่มีความสามารถนี้ได้ตำแหน่งสูง แถมยังเป็นพวกที่ไม่ไม่สะอาดด้วยอุตาห์ทำงานหนักอุาห์ทำงานที่ความซื่อสัตย์สุจริตนะตั้งใจจะเป็นตำรวจที่ดีแต่ว่าก็กลับถูกกดต้องกลายเป็นแกะดำจริงๆเป็นแกะขาวท่ากลางแกะดำมากกว่านะ ก็กุมใจนะมาระบายให้หลวงพ่อชาฟังแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหลวงพ่อชาท่านก็ฟังนะฟังไม่ได้ไม่ได้ชี้แนะอะไรฟังอย่างเดียว จนกระทั่งในตุลโรคนนั้นเนี่ยระบายจบหลวงพ่อนนชาก็ชี้ไปที่หินหินก้อนใหญ่ที่หน้ากุติของท่านแล้วถามนายตุลครถนนั้นว่าเห็นหินก้อนนั้นไหมแกก็ตอบว่าเห็นครับท่านถามต่อไปว่าหนักไหมหินก้อนนั้นนะหนักครับแบกไหวไหมไม่ไหวครับ เออถ้าไม่หวก็อย่าแบกมันสิแล้วกในายตุลาคนนั้นนี่ได้คิดเลยนะทําไม่ได้ตอบนะหรือหาทางออกให้กับในายตุลาคนนั้นตรงๆนะแต่ชี้นะให้เห็นว่าหินเนี่ยถ้าแบก มันก็หนักต่อเมื่อวางมันจึงจะหายหนักความหนักอกหนักใจความกุ้มใจก็เหมือนกันเป็นเพราะแบกถ้าแบกไม่ไหวก็วางมันลงสิเพราะว่ า, วานายตำรวจคนนั้นเนี่ยได้คำตอบเลยนะแม้ว่าหลวงพ่อชาจะไม่ได้พูดตรงๆสุดท้ายก็ ไม่ได้ลาออกนะแล้วก็รับราชการต่อแล้วก็ทำงานอย่างมีความทุกข์น้อยลงนะเพราะว่ายัางทำงานด้วยความแข็งขันแข็งนะแต่ว่าไม่แบกแล้วปัญหาต่างๆอาจจะรวมทั้ ง, างการกระทาที่แย่ๆของเจ้านายและลูกน้องก็ไม่เก็บเอามาแบกไว้ในใจ แล้วก็จะรวมถึงไม่แบบความคาดหวังนะว่าทําดีแล้วจะต้องมีคนเห็นทําดีแล้วต้องมีคนชื่นชมเจ้านายต้องส่งเสริมไม่มีคนเห็นไม่มีใครชื่นชมเจ้านายไม่ให้รางวัลก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าทําทงานจนเกษียณนะแล้วก็ได้รับความดีความชอบเพราะมีคนดีเห็น ก็เรียกว่าในสุดนะก็ไม่มีความหนักอกหนักใจแม้ยังทำงานด้วยความวิริยะด้วยความเหนื่อยนะแต่ว่าไม่ทุกข์แล้วแต่คนส่วนใหญ่นะเวลามีความทุกข์เวลามีความหนักอกหนักใจเนี่ยก็ไม่ค่อยเฉลียวใจนะว่า ที่ทุกเนี่ยพอบแบกเอาไว้แทนที่จะวางก็ยังแบกต่อไปทั้งๆ ท, ที่การแบกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้มีความสุขเลยมันมีแต่ทําให้ทุกมันก็น่าคิดนะว่าในเมื่อทุกแล้วแบกทําไมในเมื่อบ่นว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วแล้วทำไมไม่วางอันนี้มันน่าคิด ถ้าจะตอบก็คือว่าเป็นเพราะไม่รู้ตัวหรือเป็นเพราะหลงหลงแบบหลงเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือวความไม่รู้ไม่รู้อะไรนะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าแบบหรือเป็นเพราะไม่รู้ตัวก็เลยไปจับฉวยนะปัญหาต่างๆ ให้มาสมกองอยู่ในใจให้มันอัดแน่นอยู่ในใจป่าก็บอกว่าทุกทุกทุกไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าด้วยความไม่รู้ตัวด้วยความหลงเนี่ยมันก็เลยแบกเอาไว้คนเราบางครั้งเนี่ยพอขาดสตินะมันก็แบกอะไรได้สารพัดนะ แม้กระทั้งของหนักเนี่ยอย่างเช่นนะเวลาสมัยก่อนมันเวลามีไฟไหม้เนี่ยคนสมัยก่อนคนในสมัยก่อนเนี่ยนะโือเฉพาะในกรุงเทพมันก็ยังมีโอ่งนะโอ่งไว้รองรับน้ําฝนมีโอ่งเยอะเลยนะเพราะสมัยก่อนนับประปานนี่มันก็มันยังไม่ได้แพร่หลายพอไฟไหม้เนี่ยตกใจนะเจ้าของบ้าน ไม่รู้จะหอบหิวอะไรนะก็อุ้มโอ่งเนี่ยวิ่งหนีไฟโองเนี่ยมันไม่ได้เป็นโอ่งปล่าแลมันมีน้ำนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันสามารถจะอุ้มไปได้อุ้มแล้วก็วิ่งหนีด้วยนะทางต่าีๆหนักนะหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ยังแบก ก็ยังอุ้มก็ยังวิ่งต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าตกใจตอนนั้นขาดสติก็เรียกว่าหลงนะไม่รู้ตัวจนทั่งพอห่างไกลจากไฟแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วจึงค่อยเริ่มรู้ว่าเอยมันหนักทำไมมันหนักนะก็เพราะแบกโอ่ง น, นี่มันรู้ตัวว่าหนักก็ตอนที่เริ่มมีสติ แต่ถ้ายังไม่มีสติเพราะความตื่นตกใจเมื่อไหร่ก็ยังแบกแต่พึ่งเตือยแต่คนเราไม่ได้หลงเพราะความขาดไม่ได้หลงเพราะความกลัวอย่างเดียวนะหรือเพราะความตื่นตกใจอย่างเดียวบางทีก็หลงเพราะความโกรธหลงเพราะความกลุ่มก็ได้มันก็เลยแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางทางั้งๆที่ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะ เนี่ยเพราะความไม่รู้ตัวเนี่ยทำให้คนเรานี่แบกแล้วมันไม่ใช่แบกปัญหาแบกเรื่องเราที่มันทุกข์ที่เจ็บปวดอย่างเดียวแบบแบกบอารมณ์ด้วยนะความโกรธความกลัวความเศร้าก็แบกเอาไว้ยึดเอาไว้ถ้าไม่รู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะก็ไปเฉวยแล้วไปแบกเอาไว้ได้ง่ายมากเพราะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดนะ เช่นเดียวกับคำพูดที่เสียดแทงใจคำต่อว่าด่าทอหรือเหตุร้ายต่างๆเนี่ยใจเราเนี่ยจะไวกับสิ่งเหล่านี้มากเนะเคยพูดไปแล้วแล้วก็จะจดจำมันได้แม่นยำได้นานกว่าสิ่งที่เป็นบวกและขณะเดียวกันมันก็จะแบกจะยึดนะอย่างปล่อยได้ยาก จนกว่าจะมีสติพอมีสติเมื่อไหร่นี่มันรู้ตัวขึ้นมามันวางเล้นคนเราถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยและเป็นสติที่เรียกว่าเป็นสัมมาสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์มันก็จะวางได้เร็วมันก็จะไม่แบกนานบางทีเผลอคิดจมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่พอรู้ตัวเมื่อไหลมันวาง ให้การวางเนี่ยการปล่อยเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เคยมีพระอินทร์นะเท้าสักกะเนี่ยมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเนี่ยจึงจะดับตัณหาได้เท้าศักกะบางทีก็มาถาม ข้อถาจากพุทธเจ้านะทำไงจึงจะดับตัณหาได้พุทธเจ้าก็ตอบอย่างสั้นๆว่าก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นท่านตอบที่จริงท่านตอบยาวกว่านั้นท่าบอกทําต้องปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือว่าถ้าปล่อยวางเมื่อไหร่นะไอ้ตัณหาก็ดับซึ่งถ้าเราพิจารณาดูนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะ เพราะตัดใบที่ไปยึดมั่นสิ่งต่างๆเนี่ยเช่นยึดมั่นว่าเที่ยงยึดมั่นว่าสุขเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความอยากมีอยากได้สิ่งนั้นโดยเพราะสิ่งที่ทําให้เกิดสุขเวทนาเนี่ยก็ง่ายมากที่คนเราจะยึดมั่นว่ามันเป็นสุขเป็นสุขล้วนๆเลยเช่นเงินทองนะข้าวของทรัพย์สมบัติคนรัก พอไปยึดมั่นว่ามันเป็นสุขเนี่ยมันก็อยากมีอยากได้มากๆหรือไปยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นของกูเนี่ยเขา่ายึดมั่นเนี่ยมันก็มีความยึดมั่นได้หลายส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นสามอย่างนี้แหละยึดมั่นว่าที่ยงยึดมั่นว่าสุขยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นของกูหรือยึดมาเป็นอัตตาพอยึดมาว่าเป็นเป็นของกูเนี่ยมันก็อยากจะยึด อยากจะรักษาเอาไว้แล้วก็อยากจะครอบครองให้มีมากๆากก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการมตัญหาหรือภาวะตัญหาขึ้นะการมตัญหาคืออยากได้ภา ะ, ะตัญหาคืออยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นรัฐฐมนตรีอย่างเงี้ยเนี่ยอยากเป็นคนเก่งดาราชื่อดังเนี่ยนี่ภาวะตัญหา อะไรอยากเป็นนะก็กูกูอยากมีกูอยากเป็นแล้วกูเกิดขึ้นได้เพราะความยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นของกูหรือว่าถ้ามีใครเนี่ยมามาแย่งชิงสิ่งที่เรายึดว่าเป็นความสุขยึดว่าเป็นของเราเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจอยากจะกำจัดเขาออกไป อันนี้ก็ทำให้เกิดวิภาวะตัณหารวมทั้งอารมณ์ที่เป็นลบที่มันมารบกวนใจก็อยากจะผลักสายมันออกไปอจุลมถึงภาพรูปหรือเสียงที่มารบกวนรังควานอัตตาเช่นคาต่อว่าด่าทอที่มันมากระทบกระเทือนอัตตาที่สมมติสำคัญมาห ม, มายว่ามีอยู่ก็อยากจะกําจัดสิ่งนั้นกําจัดเสียงให้มันหมดไป กำจัดภาพนั้นให้มันหายไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกวิพภะตัณหาซึ่งก็นําไปสู่โทสัังนั้นที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมันเมื่อปล่อยวางเนี่ยนะมันก็ดับตัณหาได้ดั้นมันจึงเป็นความจริงและที่จริงมันก็เป็นคําตอบหรือหนทางสู่ความพ้นทุกข์ด้วยมันไม่ใช่แค่ดับตัณหาอย่างเดียวดับทุกข์ได้ด้วยเพราะตัณหามันเป็นเครื่อง พาไปสู่ทุกข์ถ้าปล่อยวางเมื่อไหรเนี่ยนะมันก็หายทุกข์แต่ว่าไอค้คำคว่ายึดติดถือมั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะหมายถึงการยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นลาบยศสุขสรรเสริญคนสัตว์สิ่งของแต่ทำไมเนี่ยการปล่อยวางเนี่ย จึงทำให้ไม่เกิดทุกข์หรือผู้อยา่เนี่คือว่าหากว่ายึดมั่นถือมั่นทาให้เกิดทุกข์ตามมาก็เพราะว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันต้องมีวันเสื่อมสลายไปถ้าไปยึดมันถึงเวลาที่มันเสื่อมสลายไปมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นที่สลายไปนะใจก็สลายไปด้วยเวลาของหายมันไม่ใช่หายแต่ของอย่างเดียวใจก็หายไปด้วย เวลาป่วยมันไม่ใช่แค่ป่วยกายอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยพ่อไปยึดกายว่าเป็นเราเป็นของเราไปยึดกายว่ามาเที่ยงไยกายว่าสุขไอ้การที่ไปยึดสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันเคยทําสุขคุบัตนาให้กับเราเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันต้องเสื่อมสลายหายไปถ้าไปยึดมันเนี่ยมันก็เรียกว่าเดือดร้อนไป มันก็ฉุดเราให้เดือดร้อนไปด้วยมันมีคนนึงนะจะไปปล่อยปลานะออกปลานี่ตัวใหญ่ใเนี่ยใส่ไว้ในหลังพลาสติกแล้วก็เอาหลังนั่นนะวางไว้นะตรงโป๊ะเนี่ยริมแม่น้ําหลังจากที่ฐานเสร็จแนละ้วก็จะปล่อยปลาก็เอียงหลังนั้นเนี่ยค่อยคยเอียงหลังนั้นเนี่ย แต่รอกว่าเอียงนะผิดท่างไงไม่ทราบนะไอ้กล่องหรือลังนีนะ่มันก็เอียงลงแม่น้ําเลยมันก็คงจะหนักหลายกิโลนะชายคนนั้นเนี่ยซึ่งกําลังจับลังนั้นอยู่เนี่ยจับแน่นเลยนะพอลังเนี่ยมันตกลงสู่แม่น้ำนะมันก็ฉุดผู้ชายคนนั้นเนะี่ยลงน้ําไปด้วยเปียกปอนหมดเลย นี่ถ้าชายคนนั้นเนี่ยนะแกปล่อยมือนะมันก็ลงแต่ลังนะแต่ตัวเนี่ยไม่ลงไปด้วยครีถ้าเราเปลี่ยนใหม่แทนะที่จะเป็นลังเนี่ยแต่มันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นหีบใส่ทองเนี่ยซึ่งเกิดจากพัดจับปูตกน้ำแล้วคนซึ่งจับหีบนั่นอยู่เนี่ยเนื่องจากยึดมันเอาไว้แน่นเนี่ยผลเกิดขึ้นอย่างไรนะ อะไรเกิดขึ้นฉีมันก็ฉุดชายคนนั้นเนี่ยลงน้ําไปเลยหรือบางทีลงเหวไปเลยก็ได้แล้วความทุกข์คาราเปย์อย่างนั้นแหละคือพระจมันไปจับไปฉวยสิ่งนั้นเอาไว้สิ่งที่มันให้ความสุขกับเราเช่นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศแล้วพอมันเสื่อมไปหรือพอมันจะจมลงน้ำเนี่ถ้าปล่อยมันนะมันก็ไม่ทุกข์ก็ยังเป็นปกติสุขได้ แต่พอไปจับมันเอาไว้นะใจเนี่ไปจับช่วยมันเอาไว้พอฉีบมันลงเหวนะมันก็ฉุดคนคนนั้นเนี่ยลงดำดิ่งตามไปด้วยถ้าจมน้ําก็ไม่ได้แค่จมน้ำเหี่ยมมันดำดิ่งไปในใต้น้ํานะเพราะอะไรนะพอยึดเอาไว้แล้วคนที่เราทุกคนที่ทุกเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเวลาของรักของหัวมันเสื่อมสลายไป ใจเป็นทุกข์เนี่ยเพราะใจมันมันไปยึดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าใจมันปล่อยมันวางเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เสียแต่ของนะแต่ว่าใจไม่เสียหีบสมบัตินก็ดำหนิงลงไปในน้ำแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ปลอดภัยเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยผู้คนจึงทุกข์เพราะเหตนเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ยึดมั่นเอาไว้มันมันไม่เที่ยงมันเสื่อมมันดับมันสูญสลายหายไป หรือมันต้องดำดิ่งนะสู่ก้นเหวในที่สุดถ้าเราไม่อยากดำดิ่งไปตามมันก็ต้องปล่อยแล้วต้องรีบปล่อยด้วยเป็นเพราะไม่ปล่อยนะั่นแหละจึงทุกข์และที่ไปยึดพ่ออะไรนะพ่อไปหลงนะคิดว่ามันเที่ยงมันมันเป็นสุขมันเป็นเราเป็นของเราไอ้หลงตรงนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ความจริงเพราะนั่นเนี่ย การยึดเนี่ยมันมียึดสองอย่างเนะหนึ่งยึดเพราะหลงคือความไม่รู้ไม่รู้ตัวและสองยึดเพราะหลงคือไม่รู้ความจริงเวลาที่เรายึดเพราะหลงเนี่ยหรือเพราะไม่รู้ตัวเนี่ยเราวางได้เมื่อเรารู้ตัวพอรู้ตัวหรือมีสติมันก็วางเลยโดยเพราะวางอารมณ์หรือว่าสิ่งที่มัน ทำความทุกให้กับเรานะความหนัก อ, อกหนักสิงที่มันทําให้หนัก อ, อกหนักใจทําให้เครียดทําให้กลุ่มเทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดทั้งนั้นแหละพอยึดทีไหลุยทุกๆทีแต่ก็ยังยึดนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเพราะขาดสติยึดอีกอย่างหนึ่งนัคือยึดสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราลาบยศสุขสารเสริญหรือว่าคนรักอันนี้เป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่า มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สุขที่แท้นะมันมันสุขก็จริงแต่มันเจอไปด้วยทุกข์และสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมสลายไปแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้จะต้องมีปัญญาเนี่ยเห็นความจริงเนี่ยหรือรู้ความจริงเนี่ยมันจึงจะวางนะลาดทศสุขสารเสริญได้แต่ว่าก่อนที่จะวางสิ่งนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทำความทุกให้กับเราเนี่ยเราควรจะฉลาดพอที่จะ วางมันไม่ยึดมันนั่นคืออารมณ์เศร้าโศกโกรธเครียดเพราะมันไ ม, ม่สิ่งที่ดีอะไรเลยในเมื่อมันเกิดขึ้นเท่าไรทุกๆ ท, กทีก็ต้องรู้จักวางแต่ก็อย่างที่บอกนะวางไม่ได้กลับไปยึดเพราะไม่รู้ตัวแต่พอเรารู้ตัวเมื่อไหร่มีสตินะมันวางได้เลยนะรวมทั้งความคิดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกัอดีตที่เจ็บปวดหรืออนาคตที่มันเอ ชวนให้วิตกังวลเนี่ยเรารู้ทันเมื่อไหร่นะเราก็ไม่ยึดมันเราวางมันลงนั่นสติเนี่ยเป็นเป็นเป็นกุญแจด่านตัวกุญแจอ่าูปแรกเลยนะที่จะช่วยทำให้เราวางทำให้พ้นจากความหลงคือความไม่รู้ตัวและต่อไปไว้ทำให้เกิดปัญญาพ้นจากความหลงคือไม่รู้ความจริง แล้วก็เห็นว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะมันล้วนแต่เติมไปด้วยความพร่องที่มันรอแต่จะเสื่อมสลายไปหรือทำความทุกข์ให้แก่ผู้ยึดถือพอมีปัญญาหรือเห็นความจริงตรงนี้แหละมันก็สามารถจะปล่อยได้ง่ายเหมือนกับที่เราทันทีที่รู้ว่าสิ่งที่เราถือเอาไว้เนี่ยมันคือฐานก้อนแด ง, แดง มันวา ง, งทันทีมันปล่อยทันทีมันไม่มีการลังเล ส, สงสัยตอบ้เราฝึกน่าให้เกิดสติมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะต่อไปไมันจะเกิดการรู้ความจริงที่ช่วยทำให้ปล่อยวางได้เห็นถึงแสททรว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยแล้วเราก็จะพบกับความเบาใจคลายจากความทุกข์ได้อย่าเนิบเพื่อ น, นนี้นะ